ชาตนาอื่นๆมารักเอาธรรมะคำสอนของพระเทเจ้าไปเปลี่ยนคำสอนของโสกมารักเอาเมาว่อานนกรเนปรากุฎวานสมมุทามาลักเอาเมา่วานนกปอนเนี่ยมาลักเอาพระปวานกามารักเอาคานาองอนนกคนหังนกนู่าา น, นที่หลวงรนดน้ำตามปลา มาแส่แจ้งคของตนเพื่อจะใส่ประเสริฐขวากาทลายสำมะน้ำเจ้กของมันก็หอกากาบอกคือของมันอยู่อันเนี่มเนี่มก่มากเจ้าเ้าดึกําบรร์ของพระเจ้าของหศาสนะได้ได้ก่อสร้างเพาะมันเป็นเมื่อึ้นของศาสนาพุทธวัเนี่แหละอยู่้างมันโครสิเทพน้ำไหลไฟดับกระตามเถอะศาสนาอื่นบาสามาถ มีสซฟอตปานโน่แม่ล่ะครับตอนี้ในพา น, นสูตรเซฟอเซฟสามเพราะว่าเรามาสามศาว่ า, าัาสนะอื่นถ้าเขามประมาแต่ยันยะวิธีของเขาเขาจะมีสมรมะท้งสีอหรือไม่เขาจะฆ้าเออแล้วพูดเข้าข้างตัวดอกแล้วพูดเข้าข้างธรรมยที่กระไา ศาสนาอื body, ่นจะ่เขาจะวดดีเขาจะใบเคร่งเขาเพียงในกตามเขาไม่สามารถถึงโซกุจปโนได้มาเหตุใดมาเหตตัวของเขาของเขาเป็นโลคนละดีๆนี่เอโรลกี้ะดีๆนี่เองไม่ใช่โรคนละศาสนาอื่นหัวหน้าศาสนาจะได้ศาสนาเขาเขาเป็นพุทธชนคนนั้นเราดีๆนี่เองเพราะเขาหนักไปทางในอาเมสอาเมสเรา ในทางวัตศูนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่หลังอยู่แค่อู่ของอา น, นิจังของเรานั้นแม่ละสำนึดได้ด้วยอวายวะอวัยนี่ยแม่ละเชื่อใจได้เป็นเอกเทศอี ก, กด้วยเป็นโลเกียงตงโต้นั้นจึงปฏิเสธอศาสาสนาอื่นไม่มีสุวพระเจ้าโนช่วยยายะสามีจิตจะมีก็มีแต่ใน ศาสนาพุทธนั่นเองเราพูดเข้าข้างตัวเราพูดตามธรรมารทุปไตัหาเรืต่างอื่นกน็ผูกเกินศาสนา้วลาเว ล, ลาบทัฏะยาบทรามาบทภาวนาเช่นเดียวันเพระสันดานาสันยาอุสนเนี่ยมาเป็นผู้มีความจาก็ไม่ใช่ผู้มีความจาก็ไม่ใช่เมธีคอย่างนี้มีจัวะจังเอโดยใจความก็คือวิจารณาอารูปจิต อารม ป, ปรเจตกรับอารมทปธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันคับอาุมูปธรรมก็มีความหมายมอันเดียวกันกับอารมู ป, ปโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับอารมู ป, ปสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันตรงนี้ยังมันมียังไม่มีมีปรัสนามีสมาทานล้วนส่วนที่ปรัชนาจะมีว่าก็ามีแต่อันิี้การคับทุกครังส่วนอนาจายังมองไม่เห็นหรือนิโรธสมาบัติก็ยังมองไม่เห็นมาเปน็นดางนี้ก็ เราแสดงเห็นว่าเพราะท่านเปันฌานโลกีจึ ง, ไ ม, ามางมไม่สามารถถึงพระสวสดาบันเมื่อไม่ถึงสามารถถึงพระสวัสดาบันก็ไม่สามารถถึงสัพพคามีอนาคามีอรหัตด้วยู่ในตั ว, ว, ว, วเมื่อพระสวัสดาบันฝุประตูพญไฟนีนเ้เข้าไปในเปิดประตูพญไฟนเข้าไปแล้วใจจะไม่ามาถึงทั้นถึงที่สุดหรืออัญญักตตโตเทศหรือศาสตราอื่นก็ไม่สามารถ สึงเขาจะอนุได้ชระชาวิธานิี้พภะโกคาตรงพระรำพีสั้เทรัะนามุิสังิเตียนเสตยสวัสดวัตถุพระสวัสดิวันสูตรอันนี้ก็สูตรพระสวัสดิวันพระพิธานโทษอย่างหนักหนมาตุฆาฆามาดาพิฆาฆามิดาอาหะฆาฆามาปะรังโลกนสวตราทำาพระพุทธเจ้าทั้งยโห็นเลี้ยงออกขึ้นไปพระเิธานทรงอาศัยจากการอนัญชัตุเทศเทวสารเราอื่น ตรงนี้ยังคือศาสนาอื่นยังไม่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเพราะสมัยนั้นยังไม่มีพมระพุทธธรรมปสงค์ยังไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแต่ไหนแต่ไรอยู่ทุกเมื่อไม่สูญหายไปไหนแต่ไม่ปรากฏ ข, ขึ้นในโลกเพราัไมีมีใครรู้จกักในเช่นั้นจริงยังไม่ถึงสุปฏิปโนผู้ที่จะถึงสุปฏิปโนต้องเป็นทุกถึงไตรสารกรมยิ่งเผู้มีเชื้อนาบริวลด้วย เป็นผู้มนสมาอาชีวะด้วยเป็นผู้เป็นผู้มาซื้อเรา่ดีงามดีด้วยอันนั้นยังซื้อถึงเกศถึงเกศโชกสิลป์เกิดเทลานะอยู่ยังซื้อในการอา่านหน้าม่่่าวาบอยู่เถ้าปัจจวัตเตัวอบทุ ก, ทกปัญหาเข้ากระพรายดอกเข้าปัจวัตเพื่อหลักเพื่อหยดเพื่อสรรเสริญเพื่อโรคจี๋ปัญหามันอไาเพราะขเหร่เข้าไหลยพราเห็นผิดแล้วเข้าไหลปัญ ห, หาเมื่อไรเาี่ย ถ้เป <an> ็น <t> ว <ons> <an> ิชาทิฏฐิจะไดปัญหาม่ลายกนเลพวกปฏิวัติัครือดาวเครือชนเชิญเนี่ยมันปิดข้างมาเสวยดาวันเลยป้างโซอิติันโนเลนี่ก็เลยเป็นยองไปเมชาทิฐิอย่เพาทบานถึงใจถึงหาคมพวกเล่นเล่เล่นเล่นาเลนัดเลนเบอร์เนียเป็นวิชาทิฐิเลยพอเห็นิษเป็นซอสเห็นว่ามันสียวยไอ้ทีแท่ท้างคิ้วม้ตรงตรงวิชาทอน โหดเอกคือพระธมราชพุทธเจ้าพระนิชชัญได้ท่าทถือปะะัจบพุทธเจ้าม่นยิ่งกราพระพุทธศาสน า, าเป็นการบ้านเป็นการเมืองจึงทรงพระนามวาโล ก, กเป็นผูสู้จึงผู้รู้แจงโลกจึงทรงพระนามว่าบริษัทธรรมศารพิษเปผู้สอนของเทวดามนุษย์ทั้งหลายทั้งคนสัตว์ดำสัตว์สูงสัตว์เต่ก็มาเอามนุษย์มนุษย์คั้นาวา ขนชันตูงหมายเอาเท้าวุฒิเท้าลาอินฟงหม้ายเจาธมะที่นึ่งนชันต่ำหมายเอาสุภเชตกโนขนชันกลางหมายเอาราชพักคาขามีาณาคามีขนชันชุดชายหมายเอาพระหันให้เราในบ ja. องตนอาชีกาัณ์านางมาเทการณ์ญาตินางปรินนางการณ์ญานาง ถ้าเราในบางต้นไม้อาศีนทับกลางไม้อสมาซีสันทายไม้อะัญญาถ้าเราในบางต้นไม้อาซีนของพระโสดาบันไม้อสมาซีของพระโสดาบันไม้อะกัญญาของพระโสดาบันถ้าเราในทับกลางไม้อลซีนสมาซีอะัญของพระ้าาทานี้อำนาจานี้ถ้าเราในสันทับท้ายไม้อลซีนของพระ พลทหารเลยเสียสมาธิปัญญาของพลทหันตาขันเลยมีคุณคาตาหันเขาเสียสกุลดาบันทักษะข้ามยานาขามี่พลทหารทมโม่แล้วทำทหารถึสิ่งช่องโล่ช่องไวสิ่งทัมงสกุลดาวันทำทักษาค้ามี่ทำปานาขามี่ทำพลทหารเออไม่ีหยุดย้อนวกันเหตุที่มาเสีกสมาธิถึงเสียสกุลดาวันสามารถสิปัญญาของสกุลดาวัน ม้ถึงมาปัญญาไมา้ถึงเอาศีลสมาธิปัญญาของพระสักระธาข้ามีอ น, น, อนาข้ญญา ม, า ม, ามาีมหาปัญญามหาศีลมหาสมาธิมหาปัญญาไม้เอาของพระลหันนั่งไปเลาะในบ อ, ตอนกต้นว่ากลางที่สุด่ยไม้เอาสัตวโลกอุตระกุณได้บนมัดโลกีลก đến, ลกเลยมีปัญหาสอนข้ามาว่าทําไมจึงมีโลกีศาสนาโลกีศีลสมาธิปัญญานรืสมาธิโลกี สมาธิปัญญาโลภีก <Wars> <Wow. S 1> ับเสียนสมาธิโลกุตตะปัญญาทําไมจึง่าจึงมีคนเปในทางพุทธศาสนาก็เพาะเอาเสียนสมาธิปัญญาของศาสดาอื่นมาปนเปกับเสียนสมาธิปัญญาของอพุทธศาสนาทำไมจะมีโลกีโยมุตโลกุตตะเเอาโยมุตของศาสดาอื่นมาปนเปกับยมุตของพุทธศาสนายมุตของบุตพระพุทธศาสนา เพ่ในมุตที่ไม่สำเร็จคืนไม่ไม่ไม่สำเร็จคืนเลยนอกจากวิมุตของพระสวดับบันเป็นต้นไปสิ่งเอกเทศก็ตามแต่ไม่สำเร็จคืนสิ่งของวันการสมาธิของวันกันปัญญาของวันกันปัญญาโลกุตรละไม่ถอยหลังเสียงสมาธิปัญญาไม่ถอยหลังสี่งสมาธิปัญญาของโลกุตรละไม่ถอยหลังทุกภาวนาธรรมฐานแต่ละวัตแต่ละบาทส่งต่อพระนิพพานหมดตั้งขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละขั้นแต่ละบุคคล แม่กรรมฐานสี่พร้องก็ดีพุทธาธรรมาสังคาสีรานุสติเหล่านี้พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีรานุสติจารานุสติเทวตานุสติอุปจารานุสติจะเป็นอุปจารสมาธิกว่าเช่นแต่ว่าถ้าอุปจารสมาธิมีญานสัมพย์ก็สามารถถึงมรรคผลวิภานได้เช่นบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้บ้างทั้งความเกิดความดับ ของว่ากีสังขารที่บริกรรมพุทโธพุโธอย่างนั้นแต่ช่างหยุดลงสู่ตาลักฟ้าเขาลงใจเขาออกแล่เชื่อคนั่นเป็นอุปจารสมาธิเขาไมถูกคืออุปจารสมาธิเขศมระยุทธ์ด้วยวิปัสสนาปัญญาถ้าตอบไม่ถูกในสนามหลวงเขาผู้ภาวนาพุทโธพุโธนั่นเป็นสมถะหรือวิปัสสนาล่าถ้าเอกถ้าตอบในสนามหลวงเขาก็ตรอบว่าเป็นสมถะเพราะผู้ภาวนาพุทโธสามารถถึงอุปจารสมาธิเท่านั้น ให้ใหายเราตอบเดีย ว, อ, อ, วาายอย่าเข้ามาตอบก็สัได้หรอพวกพราหมณ์พวกโธพวกโธ่นั้นจะเยืนเย็นหน้าถึงแต่อุปชาแะสมาธินาเดียวก็วเห็นแคบเกินไปถ้าบุคคลทั่วเกิดมาในมนุษย์โลกมีปัญญาแก่กล้ามาตากันแล้วเพราะผู้เคจะกระตับปัญญาตาทียสร้างมาถ้าบุคลคลที่จิตสูงใจสูงภาวนาพวทพโธโธเห็นควเกิดความดับในภาวนาพุกโธ แต่คุณพุโทโธเขาเนี่ยเกิดได้ดับไปไหนถึงแม้จะเป็นนามะคุณก็าตามแต่นามะคุณอันที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะไม่คุณหาประมาณไม่ได้จว่าโลกตระกูลถ้าเขาน้อมลงถึงขนาดนั้นแล้วแล้วเขาเห็นว่าคุณพุโทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหนเม่เกิดดับแต่เป็นแต่ผู้บริกรรมพุโทโธคือเจตสิกธรเขาเห็นพร้อมกันในขณะเดียวพร้อมเขาลงให้ใจเขาขอขาอกเลยเห็นพร้อมทั้งใจรับด้วยเกิดเครื่องแรกแปรปรวนแ ล, และได้ดับไปในคําบริกรรม ส่วนคุพุดโธไม่ได้ดับเนืเกิดเมื่ไร่จะว่าเขาเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกก็มีวิปัสนาธรรมยชศกยคาหอนเช่นผู้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธลูบไปรูปมามันก็หน้าเช่นผู้บริกรรมว่าลุบและโชว์แรงรังชังคาลติลูบไปรูปมาอยู่มันก็น่าเป็นวิธีคำราวนาทําไมจึงแตกฉ้นในพระพุทธศาสนาสี่เล่าก็เพราะเห็นว่าบารมีเสด่ามาต่างกันในชาติก่อน ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้กระตาปัญญาตาก็ตัดออกเสียบุคคลผู้ทํานี้ไว้าคนเดียวยในปางก่อนก็ไม่ต้องพูดละที่พระพาหิยะอย่างนี้เป็นภาษากรุ๊ปเป็นภาษาเขเห็นทางนั้นสองสองคํางนั้นหวานอนัตตาใส่โดยจากความพิจารณาอนัตตาพระพาหิยะก็สาเร็จพรั่งในเ้ลานั้นเป็นเอกนนีิบาททามีอันเดียวก็สร้างบริมีแก่ข้ามาต่างกันสรรมฐานอันเดียวกันพิจางามันแยบคลายกว่ากันแล้วกัน หลวงตาหอนเช่นฟังเทศในการเดียวกันภาษารนบุตรก็สามารถเป็นพระอรหันติและฆาอคคีเวสนาพ่ก็เพียงเป็นเพียงดวงตาเยันทำไม่เครือบแคงไม่สงสัยในพระศาสนากันกันเทศกันเดียวกันเมื่อเป็นอย่างอย่างนี้เราจะยืนยันกรรมฐานว่ามีคุณค่าเสมอกันหมดมันก็ไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับคุณค่าของจิตใจของแต่และบุคคลที่เขาสร้างบารมีมาเแก่ต้ามาแต่พ่อครรภ์ชาติก่อนคนเกิดมาปัจจุบันในชาตินี้ จะถือว่าเกิดชาติเดียวกันมาหมดมันก็ไม่ถูกบางท่านก็บางมีกระมาแล้วบางท่านก็เป็นดอกบัวตูมบางท่านก็เป็นดอกรัวสมอหน้ําบางท่านก็เป็นบอกดอกบัวอยู่ใต้หน้ามกระะปรมาภมรดเป็นอย่างย่ีงเราจะไปตีเสมอกันหมดก็ไม่ถูกคําสอนแก่พระพรหันต์ส่งต่อพระนิพพานคาสอนทุกศาสนาไม่ใช่โลกีคําสอนเป็นโลกทศคำสอนทั้งนั้นเช่นนโมขะสนาวันนโมตระพาภาเมนโมภอณาภาเมนโมภะลานตีตีความหมายนั้โมต่างกัน ใ้พุทธังาสนาคาฉามีในพระสุวรวันศักทิมีอนาคามีอรหันต์เสมอกันแต่ความหมายในพุทธังธรรมคัญคังต่างกัน่าพระอรหันต์เรียนไตรสนาคมจบพระสุวรรณเป็นตรสนาคมบงต้นรับเชื่ขอยืนยันอย่างนี้ที่ยืนยันอย่างนี้ผมพเห็นว่ายกคุณค่าของพุทธศาสนามากกว่าคุณค่าของศาสนาอื่นๆเราจะสอบิสิหต่อานุ่านับเอสร เราตอคือเราได้หรือนั้นำตอบต้อตอบปฏิบัติเด้ปฏิบัติบปฏิบั ต, บติเช่นพวกฟังเทศกันเดียวกันคนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งถึงใจธนาคมคนหนึ่งก็ถึงพระอหันคนหนึ่งก็ถึงพระสวัสดิบาลคนหนึ่งก็ถึงสักขาคามีคนหนึ่งก็ถึงอนาคามีคนหนึ่งก็ถึงอรนหนัาหารค น, หนาหาคนหนึ่งก็สามารถปรารถนาเป็นท้าพเจกก็มีเป็นชาวมืองใต้เมืองขาก็มีในขณะที่ฟังธรรมอยู่างนั้นก็ดี วางทนคนก็นสำเร็จพลาารลรหัในในเช่ น, นยานเทคโนโลยต่างกันมีความหมายต่างกันกรรมฐานอันเดียวมีความหมายต่างกันผู้ใดอยู่ระดับใดก็หมายตามระดับนั้นของตนผู้มีปัญญาอยู่ระดับใดก็ดึงมาใส่ปัญญาหรือน้อมปัญญาของตนไปใส่หรือดึงมาใส่ปัญญาของตนหรือดึงมาใส่จิตใจใจของตนโอคนนั้จะโอนอกออกไปก็ดีนอกเข้ามาก็ดีมันน้อมเข้ามาในระดับต่างกันลางสังเกต เราจะไปยืนยันว่ากรรมฐ า, านแต่แล้วกรรมฐ า, านเป็นกรรมฐ า, านต่ำอย่างนั้นไม่ถูกเช่นภาวนาพุทโธโธสามารถถึงพระอรหันต์ก็มีเช่นภาวัการิเป็นต้นเหลาสุวางเสีย แ, แต่ว่ากริถึงพระอรหันต์ก็คือภาวนาพุทโธนั่นเองพระพุทธานุสตินั่นเองเพระเป็นสัตยาจิตว่างถ้าจะว่าพุทโธพุทโธเป็นโลกิยะหน้าเดียวผู้เป็นโลกิยะผู้เป็ น, นรัตยาจิตก็ไม่สามารถสาเร็จว่าบัพติความสิเหล่าสุวานเสียก็จะตายคาพุทโธอยู่างนั้นเหลสุวานเสีย ข้าังนี้นะตนกเรื่องของมีถึงเต็ตอบน้ำนาำหลวงว่าขาวนาขมะาวนาอยู่นี่มันเราตไปังสันติให้ีทานเอะรมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นทงความเกิดขึ้นแล้วแปลพวน้จับไปด้วยใจจิตเรเป็นสมถะไหมนั่นรมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นเป็นแต่สภาวะเห็นลู่เห็นเห็นท้งอนัตาชัดด้วยลมเป็นสภาวะลมจิตเป็นสภาวะจิตผู้ลู่เป็นสภาวะผููแล้วมายึดถือในลมด้วยไม่ยึดถือใน ยุดตัวเป็ยึดถือในเวสนาใดๆทั้งปวงด้วยลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นทางกายาเวสนาคิดตาธรรมานุสติอยู่ในตัวด้วยเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สัเวสนาเอเป็นแต่สักกายเป็นแต่สักเวสนาเป็นแต่สักสัญญาความจําในลมเป็นแต่สักควาสังขารเป็นแต่แต่สักควาวิญญาณนถ้าเห็นในคณะเดียวกันพร้อมกันจะจัดว่าเป็นสมมตก็มันมันก็ไม่ถูกผู้ชวพาะด้าจิต ที่แก่กล้าในสมถมาแล้วก็สามารถชักสวนลงใจรับได้ทุกๆกรรมฐานเลยเช่นทุกพิจารณาเมตตาอย่างนี้จะว่ามีอันิสงสเพียงคิดอประการท่านเราก็ยังไม่ยอมผู้พิจารณาเมตตาเขาพลิกกิจเข้าลงสู่วิปัสสนามันก็ได้ทำอันนี้เป็นธรรมอันไม่แคบแคบเป็นธรรมอันไม่มีเวรเป็นธรรมอันไม่มีไฟเป็นอนัตตาที่ที่ไม่มีเวรไม่มีไฟเป็นอัตตาที่ไม่แคบแคบเป็นอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีเวรมีไฟถ้าเขาภาวนาเมตตาอย่างนั้นแล้ว จะถือว่าเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกเพราะมีวิปัสนาสัมปยศก็เสียว่างเลยฮะเมื่อชิ้นแก่สมาสิก็แก่พญญาก็แก่เมื่อนังแกเนื้อก็แก่เอ็นก็แก่เหมือนกันเพราะสัมปยศดูยุติแล้วกันนะฮะเราพิจารณาดินจึกจะมีเราพิจารณาหน้าหน้าดึกจะมีเราพิจารณาไฟไฟยังจะมีเราพิจารณาลงลงชินจะมีอันนั้นมันยังเป็นของนอกเราพิจารณาอันไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันมารวมในปัจนาวัดแล้วเนี่ย เช่นเดีนเมรในปัจจุบันเราจะพิจารณาได้น้าไฟลมก็เหมือนกันปัจจุบันข้างในก็เหมือนกันข้างนอกเหมือนกันเดินภายในเดียนภายนอกก็เหมือนกันหน้าภายในน้าภายนอกก็เหมือนกันอดีตหนาค้อกระชกเมื่อเห็นปัจจุบันชาติอดีตอนาคตในท่านั่งก็ไม่ต้องสงสัยอดีตคืออะไรคืออนิจจังที่เริ่มาแล้วอนาคตคืออนิจจังที่ออกมาถึงปัจจุบันคืออนิจจังที่กำลังเป็นนี่ฉะนั้นถ้าเราสาตนาจงยืนยันยังกินเสียสมุทัยธรรมะสปพันตังนี่เราถ้ามันติจึงได้สิ่งหน่งเกิดขึ้น นั้นทั้งหมดมีความหลอกลวเป็นธรรมดาในธรรมจักกะพวัตนสูตรคือสูตรที่ดวงตาเห็นธรรมในธรรมจักกะพวัตนสูตรมีครบช่างทุกช่างสมุทัยช่างมรช่างนิโรธทุกเป็นผลของสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุแห่ทุกเกิดนิโรธเป็นผลของมรมรเป็นเหตุแห่งถึงนิโรธธรรมจักกะพวัตนสูตรข้บพระไตรปิฎกหรือไม่ก็ครอบพระไตรปิฎกแต่กสูนระสตรข้อพระไตรปิฎกหมด ไปไปว่าสามเป็นดกแหวเป็นทาศีถดรวมถพูดเป็นทุกการนิบาศถ้าสูตรก็คือสูตรของกายวายกายใจพระวินัยก็พระวินัยของกายวายกายใจถ้าปรมาจกรย์มัดเข้าในกายวายกายใจถ้าว่าเป็นทิศการนิบาศถ้าเป็นว่าเป็นทุกการนิบาศสูตรก็สูตรของกายกับใจพระวินัยกายใจพระปรมาจรยมัดเข้าที่กายใจ ถ้าวา่าเป็นเอกานิบาตถ้าเป็นเอกานิบาตสูตรกสูตรข้อใจถ้าเวไนยก็เพระเวไนยใจคนไม่มีใจก็รักษาพระเวไนไม่ได้พระมัดก็มัดเขาที่ใจนะเมเป็นเอกานิบาตที่ขรักกระหม่อมก็พูดยาวจนรักกระ ห, หม่อมกพูดสั้นมหาวักก็พูดหลายาวามมายัยวกวม ห, มหลายตอนไอ้แท้ความหมายอันเดียวกันความหมายในธรรมทั้งหลายนีความหมายอันเดียวกันความหมายอันเดียวกันยังไง เพื่อให้ราคะโทสะโมหะเบาบางลงและ ห, หันที่ยังหาไปมีควาหมายทานั้นไม่ให้เพิ่มไม่ให้บวกไม่ให้เพิ่มเหนั่นจึงดาพระศุธินว่ามันดีสําหรับเธอมันไม่ดีสําหรับนักป่าเธอย้อนองคชาตลงในลุ่มฐานเธอลงในเธอย่อนองคชาตลงในทวารเบาของมาตุขามเธอย้อนย้อนองคชาตลงใน ปางูเห่ามันยังดีกว่าหรือย้อนองค์ชาตลงในหลวงสานเทิงยังดีกว่าโมฆะโุรุดโมฆะโมลุดทำทั้งหลายเรากล่าวไปเพื่อให้ถอนราคะโทสะโมหะเธอทั้งหลายกลับเอามาบวกเข้าในราคะโทสะโมหะโมฆะโมะรุดโมฆะโมรุดยดาทําไมเพราะมันเลี่ยงไปแล้วเพราะเป็นตจทมันอย่างมันไม่ประโยชน์ไหมเพราะมันล่วไปแล้วก็มีรประโยชน์แก่ผู้ฟังครั้งหน้าส่วนทุกคนนั่นเสียไปแล้ว เป็นต้นบรรดาศนนะพระสัตรียังเห็นว่า like คําแต่ละวรรบาลเป็นเครื่องถอนราคะโสสโมหะตามเสร็จอีกกาลังของผู้มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาน่ะมันก็เหลือไปไซอันนั้นมันก็ถือเป็นคําทํำชต่ําหมดเอ้าใครเรียนนโมจกนโมพระโสดาบันนโมแปลว่าน้อมๆหรอ้าวรักของมันพระโสดาบันน้อมๆแบบหนึ่งถ้าราคาคามีน้อมๆลึกๆไปกว่านั้นปานาคารามีน้อมๆลึกไปกว่านั้น พระรหั น, นอบนอมจนไม่มีราคาโทสะโมหะนั้นพระหัสรีนะโมจบในขั้งพุทธการมีประโยชน์เก้าไหมเรียนถึงประโยคเก้าไหมถ้าให้พ้ตรอกก็ต้องว่ามีมรสีพสีนี่พา 1. นหนึ่งั่นเป็นประโยชนเก้าของทางพระโตาบันโดดาวพระจมรัสกัาใครมรัสอาณายครมรัสอาณาธมะโสดาพระจ้นีดดน้เรียกวามรสีมาพ้นสีสโซดาพระจาฝกาครฝนาครผลอาณาธกับเรพันหนึ่ง นิพพานในที่นี่หมายเอาอนุป า, น า, น า, า, าิเสานิพพาเนเอ้ามื่อไหหมายเอานิพพานเป็นหมายเอานิพพานพอรหันต์ตายแล้วเนี่ยนักเียนีนิพพานหนึ่งเหมือนการฆ่าพุทธการเลยนเอา้าเบื้องต้นพระบรมศาสดามาเทศพรษุสองหมืนที่ไปเป็นทบาทที่ไปเป็นทบาทในกรุงราชเกอนึ่ือสองหมื่นไปเป็นบาทไปเป็นทบา ท, ปป ท, บาทกรุงราชเกอที่พระเจ้าพิม า, ารา พี่พระสุโธธนะเลี่ยงเลี่ยงพระสองหมื่นบนให้พระบระมสารีราพระสองหมืนเท่านี้พ่อเลี่ยงได้ลูกไปเวินทบาทขายหน้าพ่อทําไมถือกรามาผ้าไปเจ้าขอขาในถนนเอออันนั้นเป็นธรรมเนียมของลูกอันนั้นเป็นธรรมเนียมของคุนยมรามันเป็นข้อละธรรมเนียมลูกทาําทําลูกทําตามธรรมเนียมของพระเจ้าทั้หลายคุณพ่อมาต้อง โกรธนะคนเวลาไม่ต้องโกรธฟิสุสอง0มื 20, นั้นยังไม่มีปลายชักสี่ชีสสังฆาธิเที่สามอันยศสองนิชีปลายิีส0ปสิบปิีเขทีสองปิตีสีสีเสีย 3, ีวัาเจ็ดสิกห้าที่ณะสมะาธเกตยังไม่มีเน้อนะเน้อนั่นนั่นนั่นหลวงปู่มหาจึงยืนยันถ้าปลอมก็ปลอมมาแต่ข้างพุทธการแล้วถ้าูดอย่างนั้นถ้าพระตไม่ปิดกไม่เป็นกางปราบผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถรู้วัคคีย์่านได้ตามชั้นของตนมาสิโมตีหลวงปู่มหา เท่าลูกภูมมหาเขียนหนังสือเครื่องลิตรลูกภูมิจงตีมหาชั้นนี้ลูกภูมิจงตีลูกภูมมหาเขียนหนังสือแตกกระเจิงว่าจังเอาสื่อหนังสือทัวนั้นจะเขาไฟาถิ่มด้วย <c ười> ถ้ากระเทศดอกเราเป็นกามปราบบุคคลผู้ปฏิบัติจริยธรรมว่าสามารถจะรู้ทําได้ตามอัตโนมัติของตนตามธรรมมัด ต, ตามความเป็นจริงของตนถ้าอย่างนั้นประําพิปาตสีบัญญัติไร้ทําไม ูถ้าองค์อื่นไม่มีปัญญาดอกหรือทําไมจึงรงสันนเสรินแต่พระตารีบุตรมีปัญญามากกว่าเพื่อนนะมันก็สามารถรู้เหนือพระใจพิสด อ, อกไปได้สิบริวารสถานแม่คุ้มพิจารณาน า, านาธาตุญานารู้ธาตุต่างๆนานาธาตุนานาธรรมนานาขันสามารถรู้ไปได้องค์อื่นไม่มีเลืดมีเดือดดอกหรือองค์อื่นไม่มีปัญญาดอกหรือทําไมจึงไปสงสันนเสริน พโมคะลากระสาเรบุตรกว่าเพื่อนองเอื่ไม่มีให้ลาบดอกหรือทําไมจึงไปสรรเสริญตั้งแต่พระศีมาลีนันไม่มีประมาณที่นี่ที่สุดท้ายกำํกำกํามือใบปดูอยู่ทางพัดปะฮัดขวาของเราเนี่ใบปดูแห้งเนี่ยเรากําใบปะดูแห้งมาในสะฮัสขวาของเราเนกับที่เราไม่ได้กํามาใบไม้ทุกชนิดในสมพูชเวีย กับในพระฮัตขวาของเราอะไรมากในชมพูเทวีหาประมาณไม่ได้พระเจ้าวข้าทั้งใบหลรนใบเหลืองทั้งใบที่ไม่อยู่ในลําต้นของมันด้วยในชั้นดีก็ดีแปดหมื่ที่พระธรรมขันธ์เราเอามาเทศเพักเกอก็มีเพียงกำมือเท่านั้นว่าเป็นนิยาเนี่ยการทำนามศัพท์ทั้งออกหไรต์ออกได้ไม่ใช่เราไม่รู้เราล่วหมดหมดู่นั้นเราไม่เอามาเทศมันต้องกับคำใช่เป่าโอ้โมหาพูดว่า พระไตรปิฎกมาเพียงก็ก อ, อมน้าเท่านั้นที่ไป ม, มาในพระไตรปิฎกนันน้ามหาสมุทรสีมหาสมุทนั่นถึงจคาหลวงปู่มหาอะไถ้าข้อควอมก็พอ ม, มาแต่ต้นแล้วถ่านว่าเพราะแต่ต้นยังไม่มันหยักยังไม่มันหยักการที่สี่กที่เศษสามอันยอดสอยังมีมันหยักพระสูตรเพระ่างไรพระพระนาวตให้เต็มภูมิถ้าพอก็ม อ, อมพอมาแต่ต้นที่ทำสังขารนางกันก็ทำใั้ยังไง ก็รัชณาไหในเวลาหลังพระบรมศาสดาตระนิพพานนี่ฆ่าหลวงูมหาทถรนวนักปฏิวัติพุทธท่ความเดียวแปลพุทธท่วัโนมัดขึ้นวัดบกพุทธท่วหนึ่งสิบโคกแปดมืนที่พระท่ามาันหมือนท่าโม่ขวหนึ่งสิบโคกแปดมืนที่พระท่ามคันเหมุ่นสังโคขั้วหนึ่งสิบขยายออกโคแปดมื่นที่พระท่ามคันเหมอนย่นลงมาย่นลงมาหาเอเซนิบาศนื้ สินับทั้งลอยทั้งเมื่อนทั้งแสนทั้งล้านทั้งโกรธกร็ออกไปจากมุ่นเดิมมุ่นเดิมคือยังคือเ จ, จ็ใจเอกะมูเรนรัพยาทรัพยพนหน้ามายด์หลวงมาฮายเอกน้ามทรัพยุถกยอนลงมาฮาเอกะทุกในปัจจุบัน เ, เห็นอันนี้จังท่านนะโลกแตกวัดแหละทําลไรโลกแตกวัดท่าในใะานะแมใจโลกะา่านะอันนี้จังทุกครั้งอนานตา โลกยนลงมาในอันนี้สั่ทุกคังอาณาจักรย่นลงมาในสังขารโลกที่มีสัตว์โลกต่างกันมมนุษย์โลกที่เราโกอาศัยอยู่นี่เทวโลกก็ดีพมรโลกก็ดีอารูณ์ประคบก็ดีสัตว์โลกก็ดีสังขารโลกก็ดีสังขารโลกโลกคือสังขารสัตโลกโลกคือมันสตว์อกาโลกโลกคือแผ่นินก็ตามเทวโลกได้แก่จักรวาลพระเจ้าพหุขั้นก็ตามมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่ก็ตามพมรโลกได้แก่ลูกผมชุกขั้นก็ตาม หรืออรุปรกม์สี at ah, ่แน่นก็ตามย่นลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเน่ยทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันิจ้ธรรมเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อเห็นโลกทั้งปวงเป็นทุกอย่างยิ่งแล้วเป็นอันนี้จังอย่างยิ่งแล้วเป็นอนัตตาอย่างนี้อนัตตาในโลกหมายความอนัตตาที่เกิดที่ดับอนัตตาในข้อในพานยกว่เมื่อเห็นชาติสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงปวงเห็นทุกขณะเพียงเดียวก็เป็นเรื่องละสมุทัยเป็นเรื่องบรรเทาสมุทัย ไปในตัวคือเสียแห้เกิดทุกก็ทํทำนิโรธธรรมชาติไปในตัวแล้วเห็นชัดมันมีอยู่เห็นชัดปัจิบัติชัดลดท้นชัดพัฒนานวตริยะแบ่งเป็นสีพัฒนานวตริยะเห็นเยี่ยมในพระสวสดาวันเห็นเยี่ยมในสักข า, ารามีเห็นเยี่ยมในพระอนาคามีเห็นเยี่ยมในพระลังันก็พ้นจากเกลดไปเป็นเอกเทศคนละอนละอันละอัน เ ห, Node, ห an, เห็นเยี่ยมเลพระทหารเห็นเยี่ยมที่สุดจนจบพรมชังปฏิบ <washing internally> ัติเยี่ยมที่สุดจนจบพรมชังพ้นที่สุดจนจบพรมชังพรมชังศาสนานุตริยะเห็นเยี่ยมปฏิบัติศาสนาอุตริยะปฏิบัติเยี่ยมมิมุตานุตริยาพนเยี่ยมพระหารคนเยี่ยมเห็นเยี่ยมปฏิบัติเยี่ยมเยี่ยมของพระทหารเยี่ยมของพระสดาบันก็ละไปได้เป็นเอกเทศมิมุติมีสียุตก็มีสียุต พระดาวเยาานยุตสกทาไคมุตอนาไคมุตอนาหัตะมุตอาหัตตะิุตุตของพระารหันเป็นยมุตที่มุตพนพเทิงแล้วระดาจะมีมุตมุตพเป็นเอกเทศแสงนักบวคืนและพราคามีนาครีนาัตมกรจเต่ออาณาครามีนาหัตนาหันรบางขันบอกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าโโมแปลว่ายแปลว่าทรงไว้ทรงพุสังโพแปลว่าปฏิวัต เราก็เห็นชอบด้วยแต่ฟังไม่ไส้เพราพผู้รู้มันมีะไรกตอนผู้รู้พระโสดาบันผู้รู้พระสรามีผูู้้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์ผู้รู้พระปฏิเจติผู้รู้พระพุทธามาพระพุทธเจ้าเป็นชั้นที่หนี่งนั่นเจรตีผู้รู้สมรอ้กันก็ไม่ถูกอีกสมรู้กันนะใครจะถือศัสรูแม้ใดก็ตามถืกรรมแล้วผลของกรรมมันมีอยู่เป็นสารอายสานเป็นสารินกรรมแล้วผลของกรรมไม่ลาเอียงเข้ากับศาสนาใดเลยกรรมแล้วผลของกรรมพระพุทธเจ้า ยึดถือแล้วนยมาในศาสนาพุทธแล้วกรรมแปลวิริยาที่ทําศาสนาพุทธบัญญัติอันใดอันนั้นเปทางถูพระพุทธสมมาพระพุทธเจ้าบัญญัติอันใดเป็นบัญญัติถูกถ้าปัญญะติโอนันถ้าปัญญติอายุนะปัญญติตะกะปัญญติอินเตอริยปัญญติลุคละปัญญติอิสาวตาภุกสารานังลุคละปัญญะติพระพุทธเจ้าบัญญัติถูกศาสนาอื่นบัญยัิไม่ค่อยถูเช่นบาปสไตล์บรรญากระบวนก็มีค่าศัตไปถอนมีไหมในพระพุทธศาสนานั้น มันยากว่าผู้ศาสนาเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์ก่อนเขาบังคับเราสิเราไปสวรรคนั่นพูกเขาขัางตัวะสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธรู้จักถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะไปทิเบตอีกแล้วเทนาร์ฟานโผลเราไวถ้าเป็นนกก็หาเป็นนกที่ฉลาดถ้าเป็นตราก็หาเป็นตราที่ฉลาดเราไปทิเบตอิกแล้วทีวว่นาร์ฟานโผลเราไว้วทตถุนิยอมแเราก็ชมวัตนี้อยู่แต่มันอยู่ในอู่ของการ น, นิจัง วัตถุนิยมที่ได้มาโดยทางที่ชอบแล้วก็ชมมาดีอยู่แต่ให้รีบเร่งเป็นเสบียงปฏิบัติตัวคนทุกนว่าถ้สงสารที่วันนี้สบายเสนาสัตว์ได้เผยสัที่ได้มาโดยทางที่ชอบเรียกว่าได้มาด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยอาร์คีด้วยอาด้วยสัมมาอาชีวะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ได้มาโดยเมตขาอาช์คีวะิ่งนี้ที่ได้มาด้วยสัมมาอาชีวะที่วันนี้สบาเสนาสัตว์ได้เผยสักไม่ได้เผยไม่ได้ขอม่ มีเนดัตให้รีบเร่งปฏิบัติเพื่อทุกนวตาทั้งสาเนอะาบอกศาวสาก็สงรรงสรเสริอยู่แต่มาให้ติดเรืองแช่ท่าเพื่อปฏิบัติเพื่อทุกเท่านั้นีว่าปบัติได้นะสังหารีมาทรัพก่อนีอสังหารมาทรัย์กนที่มีอยู่ในไตโลกัสามันก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาท่านโดยไม่รู้ตัวเพราะท่านได้ขายแล้วเพราะดาวทังสามสได้ตายแล้ว ทำทางหลายของพระบมศาสดาก็เป็นทำทงหลายคลายแน่องสงท้งหลายที่ถึงชรธันต์ก็คลายแล้วในสมบัติทางหลายเหล่านี้ที่ทั้งเป็นโลกและเป็นนามนามแปลว่าเจวนรูปลว่าเปรมาโลกาสนาอื่นจะวางแผนมาเกลือนปินพระพุทธศาสนาโดยทางตรงรงและทางอ้อมมันก็คือนมาได้จะมาทำลายพระพุทธศาสนามันก็ทาลายไม่ได้มดใจโลกธาตุเฉาะทาลายเคล่อนไหวมันก็ไม่ถึง ปอกแต่หน้าของใครเข้ามันเสงเสงเสียงเสียงทีเดียวล่ะน่นเราเชื่อว่าตัวเสกเลยผู้ที่ซื้อไม่มีบาเมบุญเข้าไปได้ไหมนั่นถ้าเราถือเราไปได้ไหมเราเข้าไปไม่ได้ผู้อื่นท่าผู้อื่นซื้อเขาไปไม่ได้ไปหลังเลยกรรมและผลของกรรมเป็นสานตัดสินอยู่ปลายทางแล้วอยู่ต้นทางด้วยอยู่กลางทางด้วยอยู่ท้ายทางด้วยไม่จกกระเสียมด้วยนั่นคดีดำคดีแดงในโรงในศาลมันจกกระเสียมไป พระศาสนาย็อมมีชั้นวันละชั้นวันละของพระสวดาวันชั้นวันละของสัตวคามีชั้นวันละของพระอนาคามีชั้นวันละของพระอรหันต์ทำไมจึงจะไม่มีสัตนาสรตว์นิราสิโลกกับพระนเพานจะไปตีเสมอกานไม่ถูกสัตนาของพระเนเพานก็ไปทำอันสูงสุดไม่มาเกิดมาแกมากิดมาตายเราจะหาผ่าอำนามากขึ้นเพื่เราคุณแลผู้มารื่าออมามาก่อ้นมากขึ้น เพราะมันม้ววงเวลาคือตะเทียวเวลานี้มันถอดด้วยแล้วที่เวล่าปฏิบัติ้ายนะโมตัสสะตะกะวะโตะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตะกะวะโตะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตะกะวะโตะรา เอเรปามานีนะดาวตเยนะกะตังตามะบาลังกมตุโนันเเอเมนนะวตเยนะะตังะาังกมตุโนันเเอเมนนะวตเยนะะตัง จาบาลาบาลานกามโตนันเตอบาลยมุกเนี่ยต้องละต้องเว้นอบาลยมุกเขาก็เหตเว้นมด่จังสิไดหาในมือลรลานกบ้าคิดหายเมื่ออามาบูซาอาบายมุกสลัังคาสามิเมื่บ่ยังโลกทุกวันเนี่ยมันอนลมานด้วยนี่ด้วยศีลไห้ก็เสียไหหน้าก็เสียห้าเสมอนี่ให้เชียห้ไม่น่าเสียหน้า ขั้วเฮือนแตกกันไทุกทิศทุกแดนแตกไปประเทศญี่ปุ่นกับปอนัทแตกไปซาลาผัดแตกคล้ายเนื้อคล้ายตัวยุทธ์เทือบเพือกแยมพ่อแห่งกับพระอบายยมุกันว่าฝาใส่เห็นสมมติฐานมันอยู่ี่ถ้าโลทั้งหลายมัมีอบายยมุกกับสงข้ามเฉมาเ่ใส่เหรอาจารยอบายมุกกับมันปีนศีลหาเหมือกันเดียวกันปีนเขาพูดพระธรรมสงฆ์กับอันเดียวกันปีนกันเล็บขาดก่อนทันเหรอปีนผู้เขาอ่ะผู้เขา ไมันสูงแมูเข า, า พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์สูงหาประมาณมานเมืร่รจะเปีนข้าสอนผยธรรมมาสุ่มเทศสอนต่อพระพเจ้าออสอนโรคสอนจงสารพ่อพระองค์เจ้าม่มีหรอกใน้ไตโ ร, รคธาตุมไม่มีการยุคยักษสมัยแหละมาสุ่มมาเทศขําสอนในตโรกธาตุสอนฆลว่าสอนพระพุสามเนม่มีบันวีบันไหวอีนีขมนน้ำเขามบันซึม ด่านนั้นมาท่านสอนด่านไม่ก่มาท่านสอนว่ามางโลกบพ่อมีจฉกด้านนี่ด้านพระก็ไม่อยากพระองค์เก็สอนด้วยยกเลิงนักเถื่อเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยมาประพฤติร่วงใจด้วยมอความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงเชนนี้แล้วพรสอนด่านเนี่ยก็สอนด่านพระเนี่ยสอนเลิกไปก่อนหนังพระะพระเนี่ยละมาแล้วว่ามันนาที่ที่พระนาเรียนเล็กเรียนพระเรียนบ้านเรียนมือว่ามันนาทีที่พระขาดักกลับ เป็นในสารพระเนธเอามาตายมาแล้วเพื่อให้สองาณะจะของเมื่อที่่ํำตนในคนตรากุกนวัตสงสารนาเดียวเท่านั้นสำหรับญาติโยมนี่ย่ยังยินดีนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพทมสมบัติเป็นธรรมดาผู้สาวบริเวณแก่กล่าวมาแล้วก็บ่ายินดีเลยครกบเห็นว่ามันโหมันเทียงมนุษย์สมบัติกับโมเทียมันโมเทียงหามาข้อได้ย่ได้กินได้ใส่อขอได้ปฏิบัติอคนทุกข์ระกอ เรีบปัจิวัตรพระพุทนทุกอันผู้ใจสูงแหลมผู้สามบันแล้มีกายกรมมาแล้วนะในในในโลกร้ทันอนิจจังในในในโลกร้ทนทุกขังในในในโลกร้ทันอนัตตาท่านพรามาอีกอย่าท่อง้ายเลยนะทัางอดีตทัางอนาคตกมาอีกนะถามคำสอนของพุทธเจ้ามีน่อยเดียวของเราผมมีหลายดอกคอนเทนทหายลายล้วายมันหายมนออกมาจัดใจหายทั้งดีออกมาจากใจหายทั้งตัวออกมาจักใจอือกช่ไหม กัญาเ็ผู้เฮ็ดรมลายเนี่ยกาเฮ็ดมหน้อยมันก็น่อยบ้ากัญญาเฮ็ดธรรมะลายมันก็ลายกัญญาเฮ็ดธร้มะลายมันก็ลายคือกันบุญกัญใาเฮ็ดธมนอยมันก็น่อยมันเนาะผู้ไปทั้งทั้งบาทั้งบุญกับกได้ผู้เดียวได้เป็นผู้ไปขัดไปทั้งบาปเราปิว่าโทษหาตายหูมันจมูกหาเลียนห้กายมันก็มาถอมันถึงจักยีหลง่เนียยังโตเป็นหัวหน้าเขาเออเกียรมอยอหายรวมเพานั่นมันถอกันสีพุมสีเฟ้ยังทั้งหนอกจะไปแช่โตผ้าเฮ็ดเฮ็ดดีกับไม่โตผ แค่ตัวเขาไม่โตผู้เพรามันไปตัวผู้อื่นมาล่อตว่านใครที่ลอตัวได้โตก็ไม่สิอยู่ค่อยกันแล้วไม่ใครทีลอตัวได้โตก็ไม่สิ้สิ้ที่่างั้นตไปรตัวมันเหรอนนมาล่อคนนี้มาลอเพาะวโตก็เป็นคนรู้ใจคนลอรอเป่านักเขานี่ันล่ำาสิ่งชาเสยล่ยังก็ดอสิ่นคนน้ว่ากูกูกระลำระโบอสิ่นอันนี้คืนว่าโตเห้ทั้งตัวโตก็ติเหบอกม่เข้าาเป็นพีว่า ก่มเป็นพืชผ่านยอดเนี่ยยอดปเฮ็ดใจถึงเลยใจถึงซ้าบ่ดีเข้ามาเปล่าไปคนนั้นบุญเกิดเขา่น้อยหลอกตามบาปมันร้ายนะหลอกอันนี้เนี่ยแค่นันบนั้นมาเชื่ว่าตกตามจดูตามข้าวโกข้าวทุขข้าวเสือข้าวทุกมาเกิดมาแล้วม่เสิอทุก ข้าวแก่ข้าวทุกข้าวข้าวแก่มาเนมันจะเป็นทุกข้าวเก็บกับาทุกข้าเก็บมาแล้วมันเป็นทุกข้าวตายกับข้าวทุกข้ามันทุกข์กต้งมันจะตายทุกข์เกิดขึ้นมาได้ข้นทุกขเขาเรนาเม่อใดก็ได้ตายความปัจจุบนน้นคนว่งมันจทุกข์ ขาวผัดผกจากซึ่งที่รักก็คือข้าวทุกข์ก็ยินเองข้าวผสมอันซึ่งที่พอเข้าใจก็คือข้าวทุกข์้าว่ึนประมาณวันเสียงก็คือข้าวทุกข์ข้าวหันใจเขาออกข้าวทุกข์แล้วมาหันใจเขาออกไปนันเป็ทุกข์ตาอไปเป็นธรรมดาจริงเป็นธรรมาทุกข์ นาโลอย่ามลกพี่สีิแต่พูดยายาไปถ้าพูดเี่ยวไปขนาดนั้นเรเยย า, ไเเาไปทุกก็คือเขือนจ้นเชื่อนเฮี้นไม่ทราบด้วยนายโลกเม่ได้เฮืนน่ยนยากคื่ไปคืุกันถ้าห้าไปจับเท้าถ้าเป็นทุกข์นี่น้มันห่อนอันนี้ทราบเรืไปจับมันหนึ่งกับว่าต่อไปเฮื่ยนยาก จตามท่านอนแดงหลวงพ่อตองด้ยเพื่อเยหพ่อตองว่าหายเจ็บเธอหลวง่อตอหมาว่าอย่างนีครับแต่พเาเองนั่นคือเห็นทานในวารสงคามห้วง่อเนี่ยต้งท้องตั้งข้ายเนี่เห็นย่้งไรเป็นกระของทูบเป็นกระาของอานิจจังอาล่าคอยเอาเอง อดีตข้างหน้าก็ทำกันทุกวันอย่างนันต้องเห็นขอพิจารณาอย่งนั้อมาเห็นข้อบ่งอกพิจารณาต้องเห็นทีมีานประจำยึดใจเพร่ทั้งหลอยก็สกญ้าของเตียงมาเป็นองเตียงเพื่อให้สกุราคาขายอันนี้ของเป็นทุกสำน่าเป็นทุกเพื่อสกุลราคาขายอันนี้ ว่ามันตัวมันตนแต่ ว, ว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นทางกายอันนี้เพราะมันมีจได้เหนน้ำไฟร่มแต่ผมว่าถ้าเป็นเล่าเป็นเขาไปซนชัดเปนพวกคนจักรไม้กคมม็คือไอ้ที่แอบบอนั่งท้องท้ามันแก้เก็บตายมันกับ่มเดลบอลเล่าไฟโมเดลฟ้าเมี่อยากจ่าไฟ บอกว่มันตัวมันตนว่ามันตัวป็นตนเพื่อชะคน่าร่างกายอันนี้ไม่เต็มไปด้วยธาตุดินน้ำไฟล่มนี่นาทีกระเจิงล่องเป็นดินต้องเป็นนบแล่อง็นไฟล่องเป็นล่มยิ่งได้เป็นท้องแข็งกระเจิงกระเจิงล่องมาเป no nice 응 ki ็นธาตุด no ินยึ่งได้เป็นท้องเหลวยื้นทราบได้กระเจิงกระเจิก็เป็นธาตุน้ำย่่งได้ย่ไพวกอบอุ่นกระเกระเจิงก็จะเป็นธาตุไฟ ยิ่งไร้ะพัดปมากกระแทกกระเจงาเป็นธาตุร่มส่วนท่อมนั้นอมคิดท่อมยเอาท่อมุกชุกมาเบียดขากอดีเคื่อกกองค่อมจำก็ดีจาได้ไหมดูพอดีกองท่อมโปรงแจ้งแห้งคิดไงดีให้เยอะพดีเครื่องพูดูทั้ทงตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ่นทั้งใจทั้งใจกอดีพู อยู่ังตาสูู่อยู่ทั้งหูสูเสียงอยู่ทั้งลิสู่เลียงอยู่ทั้กินทั้งจมุกอยู่ทั้งเย็นห่อนอ้อนแข็งว่าสุดร่ากายอยู่ว่าห่อนาแข็งอยู่รูข้างมาร่ำที่เคยกระทบมากข้ามาร่ำเหมือนสู่รูเสียงจนโรดสะพะที่เยกระทบมากย่งกะแล้ว ทพรท่านาถท่ลังปัจจุบันเป็นอยู่กเมากระแกกระเจิไป่ันล่วงไปันก็ลมพัดอย่นี้แหละเขื่อเือันติดหูห้องนี่แหละล่วงไปล่วงไปที่ันนี่แหละหารงว่งไม่ได้่าม้อมูลกัล่วงไปแตอห้ารงไม่ไดู้ดและขั้นละ่วงไปห้าร่งไม่ได้ คนมตคนคิดใจระวงระวางามรางนี่แหละร้องไส้องไป้ร้องไส้รไส้รอสรสนนมันือ่ามของรคือ้าทั้งหลายเร่าครับถ้าลงสินทั้งหลายเรานี่ก็เป็นตัมุ้นเปนเล่าของเขานันเเป็นน้าคว่ำไม้ทั้งทั้งหลายไม่ขี้แน่ท้านมองรูตามเป็นจริงชี้ชัดเป็นปัญญาเราสนาญาณญาณนั่งเถอคว่ำอยู่ Ata, อาชัยธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเอโชธาตุธาตไปอายุธาตุธาตุลมอากาศธาตุคล่องว่ามีในตายยิงยานธาตุคู่ความรู้อะไรได้ธาตุทั้งหลายเหล่านี้คือปรนอุปธาตุนามธาตุตขึ้นแล้วก็แปเปลี่ยนาเส็นสาระลายน้ันดูแต่อัณฑาของกฏอนิจจัง ไม่ใต่อำนาจของกฎทุกขังสมบัติทุกไม่ใช่อำนาจของกฎอนัตารุ่มลึกมากไม่ใช่แค่ในแฝงบุคคลทรข้างหลังตามที่จะาตามจริงเถิดเส่ีข้างหลังตามที่จะาตามจริงเนี่เสรข้างหลังจะไม่หลงถึงเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นรเปนุคลยึดใจของเธอข้างหลังจะท้าความหลงของเธอไปถ้าเธอมาที่จะมาสิงเหลนี้เนเข้างหลัง กหลงปัญหาของพวเขอยู่ไม่มี้นเมื่อไห่น้อหาจะห้ามพรบรณที่าลังอยู่ในวิถิศีลรรมเนงอุากริสิทรคางสมองท้เราสมติเนื้อผบริูกครั้งกับการเจรโภคกาาไม่ใช่เพียงารศาทีวิติวันาการติดหัวจะต้องใช้จะ้อวินาน นัตตมัสเตโฮตุนตายุตสิทธิราชโคอภิวาตนาสีนิสันิจัุตาจายงตาตารุธมวชานติอายุวโนสังสรจัตตารุอันี้ประมาทติอายุวโนผู้สังสารจงใหจักรวรรดิ์วายุานุรมานุกัปลขยุกโภนาเ์ักรยอุมันย่างเขาแปิมันแปิกัน หาเดือนเท่าเดอนละอ่าอาชจะซรที่เอาเรียกได้หรคชิบหายตายได้หรอ <_ EN> เรีย ก, กพิบายนี่คือว่าออกแต่อายุเท่าเรียกเรียกขาขาบบัดเบเบืออออ่อมันบัสของตอตอที่จะเป็นเมืจะเป็นกับเสด็เมื่อมันก็สมของพรนงานไข่ไมเฮือ น, นไม้สัน้นเด็มันนั่ง่อยไมเล็กมันม่ยั่งเลยี่ด็จไปเมิดอ่อรอกแขนกล่ อ, ของของา น่องพอห้อแม่น้าจะก่งนิ้วตา้ายต่อย้ายตาสายผูกพ่อตอแขนปล่อยวัดว่ากันเนี่ยแตกกันแตกพวกเห้งพวกสร้างกันแตกไปอ่ปุ่นกรบปานพวกแตกไปอิปุ่นไหมอยังเหล็กพ้าใยแตกมันก็มีเงินแม่ไปไปอย่างนี้เสียไปพบจร์เขีไปไปจีรคาเขาให้เ้ยน้งหัวยักดีเลย่มั่วนี่ยุดไปดีกาไม่รัมันทาไม่น้อย เตกตบเต๊กไท้ต้มไทเด้เลเนี่ยล้าต้มเล้าได้เยนี่แก้วต้มแก้วได้เลยเนี่ครบวัดอะได้รูกันนี่โยกสงสารเกิดมามาพบหนงแต่ขว้วประมาณมาเทียงมาพบจะสิ่งที่ผสมผสมเพียงสิ่งที่ผสมผสมน่มันเฮ็ดให้เก็ดหลาบในวาตารสงสาหนึ่งหยางสองหยังสามหยังผสมผสมว่ามียักแนวก็เกิดใหมา่าผสมผสมอายุอัศ ถามาสม่ไเามันใก่ตายแรือเปล่าาสมส่งแล้วลไปเขาได้แค่ไก่ตายเท่านั้นสมัดีปีใหม่นะครสมัดีตายยังได้เขาไก่ตายก็เป็นไพวกบอกอะไรีเือเยัวตัวให้มันเปลี่ยนหม่นะตัวให้คิดใหญ่ต้องเปลนั้นหสมัดีปีใหม่เออคส่งความสุขนะครับนักขส่งความสยังซาตินทีุ่กคาไม่ใช่ทุกคน ทุกข์ทุกข์ทุกในพระตสวดาบันทุกข์ข้าข้ามิทุกข์อนาค้ามิทุกข์พระละหันพระพุทธเจ้าทับเส็จทุกข์ใดทุกข์ของพรหัสนี่ยสียทุกข์เกิดจากพวกมีทรัพย์ฉันยางนั้นกับบ่แน่นอนทุกข์เกิดจากกายทรัพย์บริโภคเพราะดิฟังง้านกับบ่แน่นอนทุกข์เกิดจากพวกบ่เป็นนิเป็นทิ้นเพื่อัรอะไรกับบ่แน่นอนทุกข์จะทางานที่ปราชญ์โทษ แาอชีวทำาปฏิจจคติก็เป็นทุกข์นะจ๊ะทุกข์แม่ข้าวพระพุทธศาสนาแม่พระพุทธเจ้าของข้าวอะทุกข์ถึงพระสวัสดิ่ะทุกข์ถึงพระสกทาข้าข้านี่ทุกข์ถึงพระอนาข้ามี่ทุกข์ถึงพระอรหันนี่จักจะต้องจับจะเป็นทุกข่ก็ได้เยอะน้อยโบกจับโบนัพโบนัพกับบัญชีนี่โมแน่นอนซึ่งโมแน่นอนซึ่งมันเป็นทุกข์ก็ได้ซึ่งโมเที่ยงซึ่งมันจะเป็นทุกข์ก็ไดา ผู้ี่เป็นพรสวดาบามันเที่ยงแค่เที่ยงแค่ที่สิเขาครูพระทิพพานี่ที่สิบี่สามารถนีอิสรัสิ่งเป็นพระาตามีมีอิสรัสสิ่งปนะอางข้ามี่มีแอสต์นีอิสรัสิ่งปะมีอิสรัสิไว้หลังนอกขนันวัวเหนียววันอนเป็นนามไหล้วนเป็นคนไหล่ไก่อไรอ่านี้วเนียวนองหล่บางที่บางที่ครับางที่กับเปรตฉนบางที่กับเปรตศุลกากรบางที่กับมนุษยบ้างบางที่กับสวรรค์บ้างจำขนันเรามา มันบอกคือทุกขเทควาโน่โุกขเทควาโน่พะสวัดิบานว่าเสียดายอยาพวงระเมิดเสียนหาว่าเสียดายอยากเปลี่ยนอบายยมุกว่าเสียดายอยากเดีนเลขเีนหวยเพราะป่านน้ำลายคอมทิมอ่เอาไว้ว่าเสียดายเอาขึ้นมาอีกเห็นว่าไม่เป็นทางคิ้วหายดึงเดียวเราเห็นว่ามันจะเป็นท่ากะเริ่มเมื่อเห็นดึงก็มันสิดคิ้หายท่าไหนวมักจะไปรับฟ้าหยาดเคือเขีนทาสิฉันลวงละเมิดเหอกันแต่ว่าเปิดกระถูน้ำตก เห็นดิงล่องแล้วมันก็มาใชีไดจยากล่วงละเมิดมันสว่าเห็นดิงล่องแล้วมันก็จยากร่วงละเมิดสิจรงไหนที่เข้าดีเห็นดิงล่องแล้วเส่นไฟ้แดงๆสิเข้ามาสงเขามาสงสัยว่าสิบแตอมเอาธาุมันจะเคลียวว่าเาเห็นดิงล่องธาตหรอเส่นอุจจาระสิทีสกันเข้าก็มาสงสัยว่าสิบแตกอบมากินาเข้าสืไอดประพฤติยากว่าระ่างไจะประกอบอุจาระมากินได้ว่าสันเข้าในระ่างว่าสันบ่าอะไรอ่ะว่าใระล่งระ่างเด้จะสืไปจัดไฟแดงรัวเด้อว่าสัน จคต่อบอ่ารไพ่ได้อันเดียโรู้นะครับก็ไ่ได้เตือนกันยากไ่ได้ระวังงายทีนี้ที่มันค่ายไป่ลมันเห็นโทษก็คักลอมันสิรักษางายอย่างเข้เห็นดีมันป็นทามัเป็นประโยชน์และเ้าเขาไม่ใช่อะไรเช่นนี้อันนี้มันเห็นว่ามันสิได้เยอะนั่นทีเดียวนี่ยก็มันสิเลนนี่ว่านแบบมันไปทางลัดแ่มมันก็เสียทางลัดมัสันเบ้าอ๋อฉันว่าเสียทางลัดคือหายทางลัด สินบบหาขันเม่โรคที่สินหาหมดแล้วกนไม้ก้นโมก็ทักก็สวกก็ว่าต่างไม่หรอกนอนก็ว่าสะดุ้ง้าเพราะบางเรื่องรอบข่างพราพิดตปั๊กสูเว้นไผ่ละโรกทั้งหลายก็นอนจำบ้ายทหารกับโอ้ต่างไม่ตำรวจกับว่าต่างมนี่นะกดข้ามของปทเิเก่งกว่าไหนสักแต่จะไม่โจรปีได้เหมือนารสุปะตกแต่ไหนจะคลองหรือว่าเบีปปาายดเบียดจากหน้ า, าพุธไปตลอดดอกไม่จช่สิเถิดพุ่นเห ว่าต้องใช้เสือลูกใศาสนาพนทธใชสิว า, ย า, า, าอย่างไรซาซางบ้เสือผมขํามาบอกเขาบ้เสือรับชี้ได้กับมันไามแตกตื่นกันย่างน่ะย่างนี้เมี่ยขวรออกควรอินย่างนั่ น, น, ออ น, นย่างนี่พระอรหันต์ขี้พงขี้เก่งมอก า, าราชการทุกวันพระอหันต์่ามัยขี้พงขี้เก่งตายอย่างเราพูดใช่ไบก่ามันพระอหันต์ตื่น ขึนี่จะคองขี่ต๊โปกออกละห้องโปกโ ป, ปกเพื่อฟว้า น, นี่สร้อยขานาดคาลังเหล่านี้ก็ปื่นต่ออ๋อเห็นตนแค่น่าเล็กตนแค่นต น, นว่าฮัดทับตาเด้นรอ